แล้วก็เริ่มหมดกำลังใจเพราะอย่างนี้มันมันตรงทั้งคู่แต่ที่อาจมาบอกว่าเราเองเนี่ยเราต้องคิดทั้งสองอย่างนะในการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดทั้งสองอย่างไม่ใช่หมายความว่าเลยฟุ้งทั้งสองอย่างเลยนะเดี๋ยวก็ฟุ้งไปใทางบวกเกินไปเดี๋ยวก็ฟุ้งไปทา ง, ง, งลบเกินไปไม่ใช่นั่นเราคิดทั้งสองอย่างนี่หมายถึงว่าเรามีความรู้ในจุดดีของฟุ้งยิม แล้วเรารู้ในจุดดีของฟุงแบบลบมันมีเหมือนกันมันมีจุดดีอยู่แล้วเราก็รู้ในจุดที่มันเป็นโทษภัยของฟุงยิมกับฟุงหมองเนี่ยเรารู้ทั้งสองส่วนเรารู้เพื่อที่คราวนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเราเอาเรารู้จักเอามุมดีของแต่ละอย่างนี้มาใช้ในเวลาที่ มาช่วยจิตใจเราได้แล้วเราก็รู้ที่จะเอาไอ้มุมที่เป็นโทษของมันมาใช้ในเวลาที่จะช่วยเราได้อย่านึกแต่ว่าไอ้มุมที่เป็นบวกกับมุมที่เป็นลบนี่เรามาคิดแล้วเดี๋ยวเรามีแต่สวยอย่างเดียวไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าถ้าคนนั้นเนี่ยรู้จักเอามาใช้แล้วมันจะเป็นคุณของเราก็ได้อย่างเช่นนะยกตัวอย่าง อย่างเช่นเวลาที่บางทีเนี่ยบางครั้งเราเองเนี่ยมองๆน่าจะคิดแต่อะไรที่มันเป็นมุมลบๆ น, นะคิดถึงแต่อดีตที่มันเจ็บช้าอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าโอ้โหจิตอย่างนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอยู่แต่เรื่องอดีตที่เจ็บช้าเนี่ยคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวซวยแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ต้องฉลาดแล้วรู้จักเอาอาจจะเอามุมอนาคตะนะนะมือเอามุมอนาคตที่ที่อะไร ที่เป็นฟุ้งยิ้มเอามาคิดแทนแล้วเพื่อที่จะมาถ่วงกับไอ้ไอดีตที่มองอ้ามันจะช่วยดึงขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นฉลาดเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเมื่อกี้บอกโอยแหมเรายังมีอะไรอะ่ะมีสติปัญญาเรายังมีกำลังเราสามารถที่จะต่อสู้สามารถที่จะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะ ใช่ไหมไม่แน่หรอกเราอาจจะมะโหอยู่วัดได้นะจนกระทั่งเป็นนักบวชจนกระทั่งแหมเป็นอะไรอ่ะเป็นปู่เป็นตาเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้เรามีกําลังขึ้นแทนที่จะไปคิดแต่ไอ้อดีตที่มองมอๆเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาที่จะเอามาใช้ดึงถ่วกมันไหมทําให้มันก็จิตเราเนี่ยที่จะเลวร้ายยิ่งกลายลงส่วนคราวนี้ ใครเนี่ยช อ, ชอบคิดอยู่แต่อนาคตแล้วคิดแต่เอาแต่ได้มุมเดียวเราก็ต้องรู้โทษภัยของมันใช่ไหมครั้คราวนี้เนี่ยอนคนนี้รู้โทษภัยมุมนี้แล้ว่าโอ้โหคืนคิดอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวซวยแน่เลยเพราะฉะนั้นผลนี้บางทีก็นึกย้อนอดีตมั้งสิอดีตที่พังมาแล้วอะ่ะอดีตที่อะไรอะเคยต้องอกหักมาแล้วเคยต้องพลาดพังมาแล้วเอามาเตือนใจเราเใช่ไหม มาเตือนใจเราทําให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังว่าโอ้โหอย่าอย่าอย่าบ้าอย่าอย่าคิดถึงแต่มองมุมสวยอยู่เรื่อยคิดแต่อนาคตที่แหมมันจะต้องสําเร็จจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูสิบางทีนะัธุรกิจหลายๆคนน่ยที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยวางอนาคตไว้สวยหรูเงั้นแหละโอ้โหงานใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหมคิด ไว้สวยรู้เลยจะต้องประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้บางทีไม่ค่อยจะเอาอาดีตที่มันแบบว่าตัวเองอาจจะเคยพลาดพลั้งหรือเอาอาดีตของคนอื่นก็ได้ที่เขาเป็นบทเรียนมาแล้วที่จะให้เราเรารู้ว่ า, าไม่แน่นะมันพลาดกันได้นะเอามาเตือนใช่ไหมถ้าอย่างงี้ก็เอามาดึงลั้งได้ก็ช่วยทําให้คนนั้นแทนที่จะโต้งไปมุมไหนมันก็ไม่โต้งไปมุมหนึ่งมันก็จะ เกิดความพอดีเกิดความสมดุลขึ้นมาแล้วคนนั้นคราวนี้ก็จะยิ่งมองปัจจุบันเนี่ยให้มากเพราะเรารู้แล้วมันมีคุณมีโทษทั้งอนาคตทั้งอดีตเพราะคนนี้ก็จะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญที่สุดโดยที่บอกแล้วเราจะไม่คิดอะไรเลยมันไม่มีทางหรอกบางทีเราคิดอดีตบางคิดอนาคตบ้างมันก็ต้องมีในชีวิตความเป็นจริงนะนี่พูดในชีวิตความเป็นจริงแต่บอกแล้วเห็นไหมเมื่อเรามี ยานบัญญาเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออคิดอดีตหรือคิดอนาคตแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ทุกวันนี้บางทีเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นเรื่องอดีตทั้งนั้นแหละใช่ไหมเอาประวัติผู้เจ้ามาเล่าให้ฟังก็เลื่อนไปอดีตทั้งนั้นแหละที่จะให้เราเนี่ยมาศึกษาและให้เราเนี่ยมาเรียนดูแล้วเรารู้จักดึงเอาสิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราในปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ หรือแม้แต่อนาคตแตนะ่บางทีมีเห็นไม้มหลายเรื่องหลายอย่างโอ้โหจินตนาการไปกว้างไกลพุทธยูโทเปียมั่งอะไรมั่งอะไรที่จินตนาการไปอ่าเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าจะทําอย่างนั้นให้ได้แต่ปัจจุบันนี้เราจะทํำยังไงอ่ะมันถึงจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ อ่าคราวนี้ต่อฟุ้งแล้วหมองจึงยังเป็นเรื่องของความคับข้องใจที่เจ็บช้ำหัวใจยังแบกทุกข์ไว้มากมายเพราะการไม่รับรู้สภาพที่เป็นจริงอันคือปัจจุบันขณะชีวิตคือการยืนอยู่ณการเวลาแห่งเดียวแห่งอะไรณการเวลาแห่งเดียวนี้ไม่ใช่อดีตและไม่ใช่อนาคต เมื่อไม่มีสติรู้เท่าทันความจริงชีวิตก็ย่อมเศร้าหมองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัจจุบันธรรมเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดคนที่จะรู้ความจริงของปัจจุบันได้เนี่ยคือคนที่รู้เข้าใจคุณและโทษของอดีตกับอนาคตเพราะจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มาจากอดีตใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถูกไหม และไอ้ปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยแหละมันก็กําลังเริ่มเป็นอนาคตถูกกับเปล่าเพราะอาจามาถึงบอกว่าอะไรสลับยังไงจจ เ, มมเ ด, ยนะเดียวที่อาจารย์มากําลังบอกว่าปัจจุบันนี้ใช่ไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มาจากอดีตใช่ไหมถูกกับเปล่าเนี้ยอ่าถูกกับเปล่าอ่าอและไอ้ปัจจุบันเนี้ยมันก็กาลังจะเป็นอนาคตใช่ไหม ที่เรากำลังพูดหรือกาลังอะไรเนี่ยใช่ไหมกำลังคิดจะทำอะไรก็ตามแต่ฮะก็ไม่รู้ฟังตามที่อัตมาพูดเนี้ย <c oughs> เข้าใจหรือเปล่านะนะเดี๋ยวทีตามที่อัตมาพูดเนี่ยอัตมาพูดไปแล้วเนี่ยเข้าใจไหมล่ะว่าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ย มันก็มาจากอดีตเนี่ยถูกหรือเปล่าถูกใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี้ยมันกำลังจะเป็นอนาคตอยู่ใช่ไหมฮะกำลังจะเป็นอนาคตอยู่หรือเปล่าโอฮะกำลังจะอะไรนะอนาคตจะมาเป็นปัจจุบันเออเออเอออะ ถูกแล้ถูกแล้วอาจมาพูดไม่รอบคอบเอาเอา <c oughs> <c oughs> นะถูกแต่นั่นแหละคือเจตนาที่อากจะมาพูดว่าปัจจุบันเนี่ยนะพอเราทําไปทําไมจริงๆแล้วเนี่ยพอทําไปแล้วมันจะต้องกลายไปเป็นอดีตใช่ไหมแต่ว่าไอไออนาคตเนี่ยที่ที่เรากําลังนึกอยู่คิดอยู่หรือว่าที่เราจะทำเนี่ยเดี๋ยวนี้สมมติเราจะทำเนี่ยใช่ไหมพอเราจะทำหรือว่าเราแม้แต ถ้าเรากําลังทำเนี่ยเราบอกว่าปัจจุบันใช่ไหมถ้าเรากําลังทำอ่ะแต่พอไอคำว่ากําลังทำเนี่ยในขณะที่กําลังทำเนี่ยเราก็มันก็ต้องมีความคิดอ่ยใช่ไหมมันก็ต้องนึกอย่างเช่นเอาเอาแค่ว่ากําลังจะไปกำลังจะเดินกําลังจะไปหยิบอะไรอกําลังจะหยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยไอแค่บอกว่ากําลังเดินหรือว่ากําลังจะหยิบแก้วเนี่ยนะความคิดมันต้องไปก่อนแล้วใช่ไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแบบว่าไอตอนแค่อตอนบูบที่เราคิดขึ้นมาว่าจะทําไอ้นั่นจะทําไอ้นี่เนี่ยเข้าใจไหมไอ้นั่นอ่ะจริงๆแล้วมันมันยังเป็นแค่อนาคตอยู่เข้าใจไหมมันก็ลังเป็นอนาคตอยู่ใช่ไหมไอตอนตอนใ น, ใ น, ใ, นในจิตเรานะแต่ไอตัวจิตเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่ว่าว่ามันกาลังคิดเรื่องนั้นแต่บางทีเนี่ยมือเราก็ยังไม่ได้ทาอาต ม, มุตนะ เท้าเราก็ยังไม่เดินอะไรเงี้ยถ้าสมมติอันนี้เราคิดก็จริงถูกไหมแต่มันเป็นปัจจุบันของความคิดแต่ถ้าเราคิดแล้วเรายังไม่พูดมันก็ยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัจจุบันของการพูดหรือถ้าเท้าเรายังไม่เดินไปมันก็ยังไม่เป็นปัจจุบันของเท้าที่กําลังเดินไปนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยพูดเป็นเชิงที่เรียกว่าให้เห็นว่าบางทีเนี่ยคิดเราเนี่ยมันไว นันแล้วมันมันคิดได้เร็วโดยที่บางทีเนี่ยมันไปแล้วอนาคตเนี่ยเราคิดเนี่ยไปแล้วแต่เหตุการณ์จริงๆของตัวเราบางทีเรายังไม่ไปตัวเราเนี่ยมันยังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละแต่ว่าไอความคิดเราเนี่ยมันไปในอนาคตแหละเพราะว่าอาตมากําลังพูดในแง่ของความฟุ้งนะอันนี้เขาคือคือจิตมันต้องคิดเนะี่ยใช่ไมไเพราะจะให้เห็นว่าบางทีเนี่ยมันไวมาก เรื่องเรื่องของจิตเราวันถ้าใครเนี่ยพยายามตามทันจิตเนี่ยแหละคนไหนเนี่ยที่พยายามตามทันจิตให้เร็วที่สุดให้ทันจิตเราที่สุดที่เราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เราคิดปับ๊บเรารู้คิดอะไรนันนึกอะไรกําลังจะทําอะไรนะเราตามจับได้เราตามทันได้คนนั้นแหละถึงจะเข้าถึงปัจจุบันธรรมจริงๆได้ มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วจริงๆไอ้ตอนที่เรากําลังคิดเนี่ยมันมันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเไม่สามารถที่จะคําว่าตามทันหรือว่าอะไรเนี่ยคือพอเวลาจิตมันคิดเนี่ยเราไม่คิดไปแบบที่มันเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเผลอสติขาดสติคือปล่อยให้มันคิดเป็นเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่เข้าใจไหม มันไม่ค่อยคิดในเรื่องปัจจุบันหรอกเพราะไอ้ปัจจุบั น, นยังมันต้องกําลังทําอยู่เข้าใจไหมอันเนี้ยไอ้ปัจจุบันนั่นคือเราต้องกำลังทําอย่างเช่นบางทีอย่างที่ตะเกียร์อาตมาบอกว่าถ้าถ้าปัจจุบันเราคิดขึ้นมาบอกว่าอา้าวหยิบแก้วนี้ขึ้นมาดื่มน้ําใช่ไหมถ้าพอเราคิดเนี่ยจริงจริพอเราคิดเสร็จเนี่ยบางทีมันทําเลยทันทีหรือเปล่าบางทีมันก็เปล่านะ บางทีมันเปล่าหรอกมันยังไม่ทันทําด้วยซ้ำไปมีไหมแบบว่าคุคิดปุ๊บทาปั๊บคุคิดปุ๊บทาปั๊บทันทีเลยส่วนใหญ่อะมันไม่ันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่มีใครคิดปุ๊บทาปั๊บทันทีมีไหมมันไม่หรอกมันมันมันคือนี่ที่พูดถึงสภาพอาการสภาพอะไรต่างๆมันไม่เป็นอย่างนั้นให้คำว่าปัจจุบันธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้ให้ได้พอคิดอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาปั๊บตามมันให้ทันนั่นแหละ ถ้าใครตามจิตมันได้ในขณะที่มันนึกมันคิดเรื่องอะไรนะยิ่งเราสามารถแยกแยะสามารถวิจัยมันได้ว่านี่กำลังคิดเรื่องดีเรื่องร้ายกำลังคิดเรื่องควรทำหรือว่าไม่ควรทำอะไรต่างๆถ้าตามจับได้อย่างนี้เนะี่ยอันตา ม, มาถือว่าเออคนเนี้ ย, ต า, จจาายตามปัจจุบันทันแล้วเข้าใจั้ยตามปัจจุบันทำอ่ทาทันได้ ยิ่งถ้าเราแก้ได้ด้วยนะคราวนี้จิตมันนึกไม่ดีโอ้ยิ่งจับได้แล้วยิ่งปรับแก้ได้<ม>นั่นแนะ่ะยิ่งเยี่ยมเลยยิ่งยอดเลยก็มั น, ม น, มนห ล, หลความคิดเวาเมก็มันหลความคิดตะีเวลาเข้ามาเออเวลาทำงานเดินจากนี่ไปตรงโ น, น้นเดินจากนี่ไปตรงโน้มีแล้วสามความคิด <S 1> <S 1> มีแล้วสามความคิด แน jewelry, ่ใจหลือว่ามีแค่สามเอาประมาณสามคำสั <S <S ่งเข้ามาเออสามคำสั่งเข้ามาเดินจากหน้าหน้า yani ร like ้านไปหลังร้านในสาคำสั่งเข้ามาอ่าก็นั่นแหละก็มันขึ้นมาเรื่องไหนก็จับให้มันทันทั้งนั้นน่ะสมมติว่ามันมันขึ้นมาสามความคิดก็ต้องจับให้มันทันทั้ง3มความคิดต้องให้ทันหมด ฮะอเอา้าคราวนี้มันเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าอย่างที่อาตมาบอกแล้วเราต้องแยกแยะออกมาว่าคําสั่งไหนละ่ะที่เราเห็นว่าเกิดคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์ที่สุดเราก็ต้องเอาคําสั่งนั้นแหะพระบอกแล้วว่าจิตมันไวจริงมันอาจจะไม่แค่สามคำสั่งก็ได้แต่ว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องแบบว่าสรุปออกมาได้หรือว่าเลือกได้หรือว่าตัดสินใจได้ต้องคิ ด, คด ท, ทั้งทั้ที่ ไอตอนที <tay> dans, ่เราบอกตัวเราเนี่ยบอกว่าเอาเดินไปตรงนั้นนะไอคำสั่งนี้ยังไม่หยุดเลยคําสั่งนี้มันบอกให้เดินไปตรงนั้นเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะแต่ในขณะที่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยคำสั่งอื่นขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละทั้งทั้งที่ถ้าผู้บอกว่ากําลังทําอยู่เนี่ยกำลังทําคําสั่งแรกเท่านั้นเองแต่ในขณะที่เรากว่าจะเดินไปตรงนั้นโอ้โหคำสั่งอื่นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกก็ต้องจับให้ทันจับให้ทันเสร็จแล้วเหมาะไหมล่ะ ควรไหล่ะอย่างเช่นมันสั่งบอกว่าเออในขนาดเดินไปนี่ให้เต้นไปด้วยถ้า <c oughs> เราจับแล้วเออมันไม่ควรเลยนะเราต้องสมรวมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีครับอีกคำสั่งนี่ก็ขึ้นมานะไม่ได้หรอกแล้วอารามิกแล้วไปเดินแบบเต้นไม่ได้หร <c oughs> อกอมันขึ้นมามันก็มาห้ามคำสั่งนั้นแหละใช่ไหมเนี่ยมันต้องจับจับจิตให้ได้แต่ถ้าใครจับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ฝึกจับเลยนะ พอคําสั่งนี่เราภาษาเราไปใช้คําว่าคําสั่งนะไอ้คำสั่งพวกนี้มันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยคนนั้นก็จะเผลอใจไปตามคําสั่งต่างๆนันมันก็ไปตาม น, นะพอพอเดินเดินไปนะคำสั่งบอกว่าเออเดินอย่างนี้รู้สึกลมเย็นดีนะร้องเพลงสักหน่อยลองเลยคือคือมันมันมันตามจับไม่ทันแล้วมันก็อะไรอ่ะออไม่มีสติที่จะมาควบคุมมา ดูแลว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่คว ร, ร, อ, ควรอะไรต่างเพรวันนั้นพอมันสั่งมาปับ๊บก็เออร้องเพลงก็ร้องเพลงออดีละเข้ากับบรรยากาศใช่ไหมมันก็ไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติหรือเพลสติไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือขาดสตินะั่นเองพูดง่ายภาษาเาะคนที่มีสติอยู่นะควบคุมดูแลจิตของตัวเองได้อยู่เนี่ยถึงจะอยู่กับปัจจุบัน ส่วนว่าจะสั่งให้ทำอะไรยังไงนี่ก็แล้วแต่นั้นแล้วแต่ตัวเราเองนะอดีตก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่จะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นแก้ไขสิ่งที่พรราลาดพลั้งมาให้ดีขึ้นอนาคตก็เป็นเพียงภาพมายาที่ยังรอเกิดอยู่ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าร้ายใครเล่าจะหลีกเลี่ยงจิตของเราต่างหากที่จะต้องมองล่วงหน้าเตรียมพร้อมไว้กับเหตุร้ยที่อาจจะเกิดขึ้นผู้มีโมหะเท่านั้นที่มองโลกในแง่ดีโดยส่วนเดียวและผู้มีโมหะเท่านั้นที่มองโลกในแง่ร้ายเสมอปัญญาจะทำให้เรามองโลกในแง่ดีแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจในความไม่เที่ยงแท้ของสัพพสิ่ง พร้อมเสมอที่จะปรับจิตถ้าหากมีเหตุการณ์ในด้านลบเกิดขึ้นมาเราไม่จริงจังกับสิ่งที่จะเกิดแต่เราก็พร้อมที่จะต้อนรับเจ้าสิ่งนั้นอัตมาถามหน่อยในที่นี้เขาบอกว่าปัญญาจะทาให้เรามองโลกในแง่ดีแต่ขณะเดียวนะก็ให้รู้ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้นะอัตมาถามหน่อย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านค้นพบทุกอริยสัตว์เนี่ยอย่างนี้ถือว่ามองโลกในแง่ร้ายใช่ปะฮะคือพูดง่ายๆว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่า น, นั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่า น, นั้นดับไปนี่ถือว่ามองโลกในแง่ร้ายรหรือปะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตราถึงบอกเนี่ยบางทีเราอ่านหนังสือเราต้อง เข้าใจให้ดีเพราไอ้คำว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามองอะไรให้มันดูดีไปหมดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือพอมองอะไรก็มองแต่ในแง่สุขลิกะอย่างเดียวะนะเพราะคําว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยที่จริงแล้วมันต้องมองโลกเนี่ยโดยแง่ของสัจธรรมในแง่ของการรู้ความจริงตามความเป็นจริง นั้นนี่แหละคือคนที่มองโลกในแง่ดีเพราะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าพอไปเจออคนรูปร่างหน้าตาหน้าเกียรติอัปลัษ์โอยต้องมองในแง่ดีต้องมองให้เขาเหมือนกับนางงามจักรวาลนะเจอคนเนี่ยหน้าตาอัปลัก์แล้วก็มองให้เหมือนกับคนสวยอย่างนี้อย่างี้มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าฮะ เดีวเาถามว่าอย่างนี้คือมองโลกในแง่ดีไหมเพรามันไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโลกโลกเนี่ยเขาเขาอาจจะบอกว่าเออนี่มองโลกในแง่ดีนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คําว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยหมายถึงว่ามองความจริงตามความเป็นจริงเราเจอคนที่สมมุติว่าหน้าตาอับปรักเราก็รู้ว่าเออนี่สมมุติของโลกเขาสมมุติว่าอย่างนี้คืออับปรักใช่ไหม เรารู้เรารู้ตามสัจจะเรารู้ตามความเป็นจริงถ้าเจอคนหน้าตาดีนะเราก็รู้ว่าเอออย่างนี้เขาสมมุติเยอมว่าอย่างนี้หน้าตาดีเราก็รู้ตามสัจจะนะอย่างนี้แหละถ้าใครรู้ได้ตามสัจจะยิ่งได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งได้ชัดเจนที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละคือคนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองโลกในแง่กลับตาลปัดกับเขา ไอ้ถ้าอย่างงั้นมันเอมันมันเพี้ยนแล้วนะมันมันไม่ใช่มองโลกในแง่ดีอืมหรือไม่ใช่ว่าแหมบางทีคนเป็นโจรคนเลวร้ายคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะฆ่าคนหรือว่าป้นจี้เขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีคือมองว่าเออคนเรามันก็ต้องมีดีมีชั่วในโลกเนี้นะก็ต้องคนก็ต้องมีกิเลส อย่างงี้นะเข้าไปบ่นไปฆ่าบ้างก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเราะงั้นคือคือคือพูดง่ายๆว่ามองอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ต้องต้องมองให้มันดีอย่างเดียวยนั่นเลอะล้นั่นเลอะเทอะนะนะไม่ถูกต้องเพราะฉะมันจะต้องรู้สัจจะมองและต้องรู้ความเป็นจริงหรือบางทีเขาบอกว่าอ้าวมองโลกเนี่ยให้รู้จักมองในแง่ ดีหรือว่ามองในมุมบวกบ้างก็เลยเข้าใจอยู่แต่ว่าพอจะนึกจะคิดอะไรเนี่ยต้องคิดแต่ให้มันมันอะไรอะ่ะสวยงามอย่างเดียวห้ามห้ามคิดในแง่เลวร้ายไม่ใช่ล่ะอย่างงั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าใจผิดล่ะว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยคือเรามองตามสัจจะเรามองตามความเป็นจริงนะัะและยิ่งถ้าถ้าถึงจุดสูงสุดเนี่ยคือผู้ที่มองโดยที่ ไม่เอากิเลสตัวเองเนี่ยเข้าไปปะปนด้วยเข้าใจไหมมองตามสัจจะจริงๆไม่มองลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงหรือว่าเพราะกลัวอะไรเพราะนั่นผู้ที่จะมองโลกในแง่ดีอย่างสูงสุดเนี่ยจะต้องนู่เข้าข่ายเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรโ น, โน่นที่ท่านถึงจะมองโลกในแง่ดีเพราะว่าท่านไม่ได้เอากิเลสเข้าไป เข้าไปร่วมในการมองนั้นแล้วท่านมองตามสัจจ์แล้วก็คราวนี้จะช่วยเหลือหรือจะแก้ไขยังไงล่ะท่านก็จะช่วยเหลือจะแก้ไขไปตามนั้นหันต่างจากพวกเราซึ่งยิ่งถ้าใครมีกิเลสมากคนนั้นนะ่ะต่อให้บอกว่ามองโลกในแง่ดียังไงก็ตามคนนั้นก็มองโลกในแง่ดีได้ตามที่เขามีกิเลสนั่นะ ตามภูมิเขาแหละพูด ง, ง่ายๆตามภูมิเขาแล้วที่บอกว่าดีนี่ก็ดีตามภูมิเขาด้วย น, นะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าให้เลือกสสให้เลือกคนดีเข้าสภาอย่างเงี้ยอา้าวบางทีดีตามที่ทั่วๆไปเขาก็โอ้แค่นี้ดีแล้วอย่างเงี้ยเขาเลือกแล้วเช่น เ, เช่นแจกเงินนะเขาก็บอกอา้าดีดีกว่าไม่แจกเลย ไม่แจกเลยเขาว่ามันไม่ดีอะไม่ได้มาสัพัฒไม่ได้เอาเงินมาสัพัฒไม่ได้มาช่วยเหลือชาวบ้านเลยบางทีเขากลับรู้สึกไปมันดีกว่าสสคนนั้นอีคนนั้นไม่ได้ไม่เคยเอาอะไรมาให้เขาเลยแต่ยังพวกนี้เนี่ยยังเอาซีอิ๊เอาน้ำปลาเอาอะไรไงรองเท้าอะไรอีกอออรองเท้าข้างเดียวก่อน คืออย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยตามภูมิคนนั้นเขาคิดว่าดีแล้วอ่ใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยจะบอกว่าเขาไม่มองโลกอย่างเงีดีอ่ะก็มองโลกอย่างเงีดีแต่ว่ามันดีตามภูมิของเขาอ่ะใช่ไมอมแต่จริงๆแล้วมันถูกต้องสัจจะหรือเปล่าแล้วไม่ถูกอะ่ะมันผิดว่าอันนี้นะอัตมาก็ขยายหน่อยในเรื่องคําว่าในนี้เขาบอกเลยนะปัญญาจะทําให้เรามองโลกในแง่ดี เพราะเนี่ยดีที่เขาใช้คําว่าปัญญาอยู่ด้วยเพราะเราจะต้องมีปัญญาน่าจะต้องใช้ปัญญาเนี่ยรู้จักมองรู้จัก แ, จกแยกแยะให้ได้นะปัญญาต้องเป็นอริยปัญญ า, า, า, ญญาถ้าเป็นปัญญาเฉโกเป็นปัญญาโลกโลเป็นปัญญาทั่วไปแล้วไม่มีทางเราที่จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้นะอา้าวตอนนี้ก็จบหัวข้อ ฟุ้งหมองแล้ววันนี้อ่ะวันนี้คงฝากไว้ท่านี้นะ